ลูกรักทั้งหลายเพปนั้นนี้ที่บันทึกก็ยังอยู่ที่จังหวัดยะลาตามเดิมเมื่อคุยก็ท่านเจ้าคุณต่อไปมองหน้าเจ้าคนท่านยิ้มท่านยิ้มนั้นท่านก็นบอกว่าลูกหลานทุกคนที่มานี่ืดยร่วมงานทุกคนท่านรู้จักทุกคน เป็นนั้นว่าทุกคนที่มาเคยไปเที่ยวบ้านท่านไปกิงของบ้านท่านไปเล่นบ้านท่นววานโดยเฉพาะ อ, อย่างนี้ลูกหลายเกือบทั้งหมดมันเป็นคนสนมันไปถึงมันก็เรียกคุณพ่อเจะค่าคุณพ่อขอรับผมอยากได้นั่นฉันอยากได้นี่แต่ว่าคุณได้คุณพ่อก็ดีจริงๆเหมือนกัน นี่ชมตัวเองนะมาขี้เนี่ยรอคนยกหางไม่ได้ใช่ไหมท่านเดียวคุณแม่ไอ้คนชมคนตัวเองนี่มันระยำจริงๆแยกคนยิ้มแยกคนบอกอย่าเสียสีเขาพูดว่ายัางไงก็ฟ้าไปตามอย่างนั้นสิเรามีหน้าที่อย่างเดียวพูดตามเสียงพูดก็ลูกหลานมันมาก ไอ้แก้วเน่ะมลายำมันมีเมียกี่ปีบรู้ไหมแล้วก็เอ้าท่านจะถามไม่ต้องถามผมบอกเองที่ไอ้แก้วมันมีมเมียเป็นปีบๆนะ่ะความจริงมันไม่ได้มันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นคนเจ้าชู้วิ่งหาผู้หญิงแต่ความจริงเจ้าแก้วกับผมลักษณะมันต่างกัน นี่ผมยืนให้ท่านดูดูมาดในช้างสิบ้างในช้างเป็นคนมาดดีสงา่าผ่าเผยตาผ่องใสแล้วก็หน้าลูกไขน่นิดๆแต่ว่าหน้าเป็นหน้าของผู้ชายไม่ใช่ลูกไข่ผู้หญิงแล้วพน้าท่าทางองอาจไ่จะว่ากันดิว่าจริงตอนนี้เขาบอกว่าแม้หน้าท่า คล้ายกับช้างซึ่งเป็นสตัตว์ดิบชันดังนั้นเลยบอกว่าอย่าว่ากันสินี่คนคุมช้างมันก็ต้องมีความสงาา่าผ่าเผยมีกําลังเหมือนช้างแต่ว่าช้างตัวนี้มันเป็นช้างมีตัวมีศักดิ์ศรีแต่ว่าเจ้าแก้วมันมีรูปร่างอย่างหนึง่งเจ้าแก้วนี่ถ้าจะดูลักษณะจริงๆ มันก็เป็นคนสมส่วนสมศักดิ์ท่าทางธรรมะแมงถ้าผิวเจ้าแก้วมันขาวก็ผมผมเป็นคนข่อวข้างขาวอย่างที่จะบ้านเขาเรียกว่าเป็นคนขาวและ ว, ว่าเวลาเดินเต้นแรงเพราะว่าเคยคุมช้างในตรงเดินแรงเวลาทํางานผมช้าไม่ได้ ผมใ ก, ก, กล้กแก้วไอ้แก้วมันเรียกผมไอ้คลองไอ้คลองไอ้ระยำเนี่ยชื่อจริงๆมันก็ไม่เรียกผมชื่อสีนะ่ะชื่อผมจริงๆคือสีก็แปลว่ามิงขวัญไอ้กแก้วเนี่ยเขาแปลว่าเขาด้วยชื่อจริงๆเขาพลายแก้วคําว่าพลายนี่ถ้าไม่ใช่ผี ปลายแก้วแปลว่าช้างแก้วช้างที่มีกำลังใหญ่ช้างตัวประเสริฐเขาว่าเขาว่าเจ้าจากกักรพรรดิจึงให้นำนว่าปลายแก้วเพราะมันออกมาเลือกดีโลพยากรณ์ว่าเจ้าเด็กคนนี้จะมีอานาจมากสามารถจะปราบปรามข้าศิกได้ทุกทิศโดยที่จะใช้กำลังพลเข้าไปชิดกับข้าศรกใช้กำลังไม่มาก เขาเจะให้นามว่าพรายแก้วและก็เป็นนามที่ขอ้ห์โคนเขาให้กันมานี่เป็นอนุว่าผมก็เป็นคนสง่าผ่าเผยผมสวยสวยแก้วมันไม่ได้ไอ้แก้วมันสวยมากถ้าทางมันดีจริยาของทุกคนเวลาเลิกจากการเป็นอาหารพักมาก็มีจริยาแช่มช้อย ละมุละไมอ่อนโยนกว่าผู้หญิงสมัยปัจจุบันผู้หญิงส ม, มัยนี้เนะี่ยมาเป็นผู้ชายซะมากกว่าผู้หญิงผู้หญิงส ม, มัยน้อยเขาเป็นคนเก็บตัวมีจริยามัญญา ด, ดีพูดน้อยถ้าจะเห็นผู้ชายไม่ใช่ว่าจะวิ่งเข้าไปคุยจะไปเดินคนงกับผู้ชายนะไม่มีมีแต่เป็นคนเก็บตัวตามจารีประเพณีเป็นคนน่ารัก แต่ว่าลักษณะการย่องย่องหนีเมื่อวิดาเมื่อพ่อแม่เผลอไปหาเจ้าหน่มคนรักมันก็มีเป็นของธรรมดา <c oughs> แต่วิจริยาท่าทางหน้าบ้านคนดีนี่สำหรับเจวแก้วที่มันมีเมียมากคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาเขามันสวยเก๋มีมสเสน่ห์สองเป็นคนอ่อนโยนสามมีความกระตันยอรู้คน สีมีจิตใจเผื่อแผ่มันไม่เคยเก็บเท่ตังค์ไปที่ไหนมันก็จ่ใจกับน้องด่าเห็นคนยากคนจนยากจนเข็นใจมันก็สงเคราะห์ให้ตามสมควรมีอะไรพอที่มันจะช่วยเหลือได้มันช่วยทุกอย่างเวลานั้นบ้านเมืองมันกว้างคนมันน้อยนี่การทําไร้ไทยนามันก็เป็นของไม่ยากเมื่อชาวเขาเวลานี้อยากจะไปฟันป่าที่ไหนก็ไปกัน ทำกันได้ตามชอบใจใครไม่มีทุนไม่มีรอนเจ้าแก้วมันก็ให้ความจริงผมก็ไม่ยอมแพ้มันนักใครมาขอผมก็ให้เหมือนกันแต่ว่าสู้มันไม่ได้มันเที่ยวเก่งมันพูดเก่งกว่ามีคนรู้จักมันมากกว่าก็เลยมีคนเข้ามาไถ่ายมันมากในเมื่อมีคนมาไถ่ายมันมากผมมีคนมาถ่ายน้อยกว่า ลูกไอ้แก้วมันก็เลยมาไถผมต่อไปขึ้นมาบนบ้าน่าคนพ่อไอนีดดีคนพ่อไอนีดดีไอนนทนก็ดีไอหนี่ก็ดีมันอยากว่าดีผมก็เลยให้มันในลูกไอแก้วทุกคนมันเรียกผมพ่อทุกคนแะมันรักผมเหมือนพ่อผมก็รักมันเหมือนลูกดังนั้นตามนิยายที่มันทำกันประดามประมามันเสียหมด คนขนาดเป็นคนน้มคนนางเป็นพยาสมัยนั้นใครเขาจะเลวแบบนั้นเลิกคูยกันทีนะได้แก้วกับไอ้ช้างนี่ทว่าอย่างนั้นมาคุยกันวันนั้นเรามาหยุดอยู่ที่จังหวัดนครปฐมความจริงจังหวัดนครปฐมนี่ต้องถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความประวัติศาสตร์สําคัญจังหวัดหนึ่ง แต่ผมก็ไม่ถือว่าเลิ่ยกว่าจังหวัดอื่นคือญหนึ่งนอกจากเรื่องขขาพญากรงพญาพานแล้วจะเล่าให้ฟังมันก็ยังมีเรื่องสำคัญต่อไปอีกการที่พระอริยสงฆ์สมัยพระมหินประกาศพระาศาสนาก็เดินทางมาขึ้นที่จังหวัดนครปฐมก่อน เป็นจุดแรกที่พระผู้นั้นมาปักหลักนำพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่แต่ความจริงพระพุทธศาสนามีมาก่อนนั้นเป็นได้เพียงท่านอันไหลเอาพระไตรวิฎกที่เขียนเป็นหนังสือมายืนยันว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีตําราไม่ได้จํากันเฉย และก็บรรดาพระอรหันต์นั่นหลายเหล่านั้นก็มาประกาศชักจูงให้เจริญความดีตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จตถาสมมาสัพทธเจา้าความจริงและความดีมาเสริมความดีที่มีอยู่แล้วมันก็เป็นของไม่ยากถ้าจะพูดกันต่อไปจริงๆในเขตสวรรณภูมิส่วนนี้ก็ถือว่ามีพระสํารองอยู่แล้วคือพระอรหันต และพระอริยเจ้าทั้งหลายเมื่อพระราหันมาพบพระราหั น, นเข้าของมันก็ไม่ยากอ่านตหรับตําราทบทวนกันเดี๋ยวเดียวเห็นวิชัยได้ต่างคนต่างกันลอกเอาเป็นแบบเป็นแผนไปเพื่อไปเป็นพื้นฐานแน่นอนเพื่อสอนธรรมดาประชาชนทั้หลายและคนส่วนใหญ่ในที่นี้ก็นับถือพระพุทธศาสนาอยู่แล้วเห็นไหม จังหวัดนครปฐมต้องถือว่าเป็นเมืองแม่ในการประกาศระศาสนาเนื้อต่อมาอีกจุดหนึ่งที่จังหวัดนครปฐมที่พระเจดีย์องค์นี้มีนามว่าปฐมเจดีย์ก็มาเรียกกันตอนหลังเนื้อแท้จริงๆไม่ใช่ปฐมเจดีย์ปฐมเจดีย์แปลว่าเจดีย์องค์แรก เขาถือกันว่าตอนนี่สมัยแม่องค์สมเด็จประสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนิพพานไปแล้วแล้วก็ใครก็ไม่รู้มาสร้างเจดีย์องค์ น, นี้เป็นองค์แรกไม่ไม่ถูกถ้าเจไถูกถ้าจ เ, ถเจไป้ปฐมเจดีย์ก็ต้องเรียกว่าเป็นปฐมเจดีย์ของจังหวัดนะคปรปฐมอันนี้ผมก็ว่าไม่ถูกอีก พระเจดีย์ที่เป็นปฐมของจังหวัดนครปฐมนั้นอาจจะมีกิจกิจอื่นก็ได้ก็มีพระระหันตายที่ไหนได้นิพานที่ไหนพระพุทธเจ้าท่า น, นสร้างเจดีย์บรรจุกระโดกที่นั่นต้องถือว่าถ้าจะเรียกกันว่าปฐมมเจดีย์เป็นเจดีย์องค์แรกก็ต้องเรียกว่าเจดีย์องค์ใหญ่องค์แรกของจังหวัดนครปฐมอย่างนี้ถึงจะถูก สำหรับพระบรัรฑิตเจดีย์นี้ผมได้พูดมาทั้งเรื่องพยากรพยาพัาน์ต่างคนต่างก็สร้างเจดีย์เป็นที่ระลึกพระบรัณฑิตเจดีย์เป็นเจดีย์ที่พยาพานสร้างไว้เป็นอนุสรณ์ข้าพระราชวิดาที่ถูกฆ่าเพราะไม่รู้จักกันแต่สำหรับพระบาณฑน์ก็เป็นเจดีย์ที่เป็นอนุสรณ์ ส้นน้องคุณคงใหญ่หอมเที่พระทจ่เลี้ยงพยาผ่านมาแต่ก็ยังไม่เป็นเจดีต้นถ้าจะเป็นเจดีที่ต้นไปกว่านั้นนอกนั้นผมไม่รู้นะถ้าสืบประวัติไปแล้วก็ยุ่งไม่ต้องพูดเรื่องอื่นพูกเรื่องเจดีเนี่ยมันร้อยปีก็ไม่จบไอในเขตนี้เจดีไม่เกิดมาก่อนนานก่อนที่พระพุทธเจ้าจะยังมไมิผ่านมีพระหัานตายก็ทาเจดี ตอนนี้เอาย้อนต่อไปก่อนสักนิดหนึ่งหลังจากที่พระพุทธเจ้านิพพานแล้วมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าโสนพราหมณ์เป็นพราหมณ์อยู่ที่เมืองกุศินรามหานครชื่อเก่าของเขานะนรรหน้าโสนพราหมณ์ไอโสนพราหมณ์นี่จะแปลว่าอะไรไม่ต้องพูด แต่ว่าเป็นพราหมณ์ที่บอกอัตปัญหาแกพระราชาเป็นเบโรหิตเป็นคนมีรความรู้ดีพ่อแม่ให้นามว่าชื่อว่าโสนะโสนะแต่ว่ามาอยู่กับพระพราชาเขาตั้งเป็นพราหมณ์อะไรแต่พราหมณ์อะไรเป็นบโรหิตเป็นบ โ, โลแล้วก็ตามโบโลหิตหรือบโลที่กล้าก็จะช่างเอาเถอะให้นามยังไงก็ช่างชื่อเดิมชื่อว่าโสนะราม ต่อมาคนเรียกกันมาโทนพรามโทนะคืแปลว่าธนานการตอนที่ตวงพระบรมสารีนกนารธาตุแบ่งกันกับพระราชาเมืองอื่นปรากฏว่าโทนพรามขาโมยของพระเขี้ยวแก้วไว้ในผมพระอินเห็นว่าไม่สมควรกับโทนพรามยิ่งเอาเขี้ยวแก้วไปบรรจุที่พระจุลามุณีเจดีสถาน คนชั้นดาวดึงสเทวโลกในไม่เวลาที่แจกของหมดแกก็มารมดูเห็นมัวหายไปจากมวยผมจึงได้ขอท่า น, นานที่สําหรับตัวพระบรมสารีริกธาตุเอาไปบูชาเป็นท่า น, นานทองเมื่อได้รับท่า น, นานมาแล้วท่า น, นานนี้พระสารีคณเรวัตโทนะโทนะโทนะนี่แปลว่าทา น, นาน เมื่อตาพรามณ์คนนี้แกรับทนานมาแล้วเขาจึงให้นามว่าพราหมณ์ทนานเมื่อพราหมผู้รับทนานไปเขาเรียกว่าโทน่าพราม์เมื่อโทน่พรามณ์ได้ทนานมาแล้วความจริงเมือง น, นครมติมที่เราเรียกไปว่าทวาราวดีรู้จักกับพระพุทธเจ้ารู้จักขบพระรหั์รู้จักขบพระพุทธศ า, า, นาธ ส, สนามาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ การเดินไปเดินมาจากกรุงกบินาพัต์มหาคนครถึงจังหวัดนครปถมหรือทวาราวดีใช้เวลาเดินจริงๆไม่เกินสิบเจ็ดวันพ่อค้าใช้เวลาเดินประมาณข้าวเดือนเครื่องเดินเสร็จเพราะมีความหนักมากเขาเดินลัดตัาทางทางตรงเขามีเขาเดินกันเป็นปกติ เพราค่าใช้เวลาเดินเท่านั้นไม่ใช่ของเวลานานดังนั้นแต่ว่าเดินเท้าเปล่าก็เดินได้ไม่ไม่เกินสิบเจ็ดวันเป็นอย่างช้าท่านนั่งนึกในใจนึกมองดูว่าคนสมัยนี้กับคนสมัยเมื่อท่านเป็นหนุ่มใครมันเดินสู้กันได้ ให้คนในสมัยที่ท่านเป็นหนุ่มมันก็เดินสู้คนเก่าๆเขาไม่ได้เขาเดินเงี้ยเป็นปกติเป็นอนัลมการรอนแดมมาเป็นของไม่อยากเชนั้นโทนัรามไม่ได้รับช น, นานทองแล้วก็ เ, เดินทางมาสู่จัเมืองทวาราวดีเพราะว่าประการปกติแกมาเสมอเสมอ มีที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเขาเรียกว่าบ้านพราหมณ์ใกล้ๆกับพระบัณนนหละหมู่บ้านพราหม์นี้เป็นหมู่บ้านขันติตาโทนพรามเองหรือว่าโสลพรามเมื่อได้มาแล้วแกก็นำทมเจดีขึ้นเป็นองค์ย่อมๆบรรจุท่านานที่ตวงพระบรมสารีริกธาตุนันไปท่นันแล้วก็ทำการบูชา เป็นอันว่าถ้าจะเรียกกันว่าปฐมเจดีย์ก็จะต้องเรียกพระปฐม น, นีเป็นเจดีย์ที่เป็นปฐมคือก่อนหน้าของพระปฐมเจดีย์องค์ใหญ่ในื้ยะตอนนี้นะถ้าตอนเลยลงไปอย่างนั้นเราอย่าพูดกันเลยมันยุ่งเล่าลงไปมันก็ไม่จบตอนที่พระพุทธเจ้ายังไม่นิพานพระอระหันต์องค์ไหนนิพานแถวนี้บ้าง ใครจะไปรู้รู้ก็พูดไม่ได้ใช้เวลามันมากไม่เป็นประโยชน์ก็เป็นอันารู้ประวัติความเป็นมาของจังหวัดนคปรปฐมเช่นด้วยที่มีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาถอยหลังลงไปตั้งแต่เมื่อสมัยพระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่ก็มีพระมาจำพรษาตั้งแต่ภาคใต้ของประเทศไทยถึงภาคเหนือ ภาคเหนือจริงๆก็ส่วนหนึ่งเป็นเขตที่พระอาพระมหาหมุค ล, ลามาคุมคือเป็นสายของพระมหาหมุค ล, ลาแดนเหนือไปด้านเชียงตรงต่อประเทศจีนและก็ในเขตจีนเป็นสายของพระมหากระศกความจริงก็ไม่ไกลกันนักแต่เดินมันยากแต่ท่านพนันทันหอกและก็สําหรับสายใต้ตามลงมานี่ นับตั้งแต่จังหวัดสุพรรณบุรีมาถึงจังหวัดนครปฐมเพชรบุรีเป็นต้นและก็แดนไปโจกคีรีขันตอนนี้เป็นสายของพระมหาการยานะกับพระอนุรุตไม่ก็้มากันเสมอๆและต่ำลงมาจากปรโจวกคีรีขันมาจังหวัดชุมพรจนกระทั่งถึงสุรา ธ, ธานีสายนี้ก็เป็นสายพระสนะกันลนะ นี่มากันเป็นปกติสายใต้โดงมาจากนั่นมาก็เป็นพระฤาษีของพระท่านหลายพวกนั้นที่กล่าวมาแล้วเป็นองค์สอนกันต่อๆกันมาเป็นอันว่าประเทศไทยรับคำสอนของพระพุทธศาสนามา ก, ก่อนที่เราคิดว่าพุทธศาสนาเข้ามาประเทศไทยในเวลานั้นไอ้เมืองมันมาก ยอมยอมข้าเมืองไปหนึ่งถึงเมืองนอนท์ไปถึงที่ น, น, น, น้อยกับวิปราชาชื่อนั้นเรียกเขาเรียกว่าพ่อเมืองพ่อเมืองชื่อนั้นพ่อเมืองชื่อนี้เป็นต้นเผ่าคนก็มีหลายเผ่าด้วยกันถ้าจะเรียกเป็นเผ่าเ ผ, ผ่าเรียกอย่างนั้นเรียกอย่างนี้เป็นพวกมองโกนเป็นพวกกล่วว่าเป็นพวกของพ่อพอะไรก็ว่ากันดะาไอคนไทยเวลานี้มาเรีย ก, กว่าไ ท, ทายไทยสมัยนั้นเขาก็ไม่ได้เรียกว่าไทย ก็รวมความว่าเป็นเผ่าคล้ายคลึงกันคนในดินแดนแถบ น, นี้ถ้าอยาเรียกกันเผ่าใหญ่ๆจริ ง, รงๆแล้วก็มันมีอยู่เจ็ดเผ่าที่เวลาจะพูดต้องพยายามเรียนภาษากันอยู่เจ็ดเผ่าด้วยกันนับตั้งแต่นูน้นแหะเชียงตุงลงมานั่นแหละจนกระทั่งปลายเขตแดนของสิงคโปร์นี่มีเจ็ดเผ่าที่เป็นเผ่าใหญ่แล้วก็เผ่ากระจอกอก็ๆก็มีอีกตั้งเยอะแยะ แต่ว่าที่เรียกเป็นเผ่าบางทีไอ้เผ่าไทยเรียกกันนี่ก็เรียกชื่อต่างกันสิแต่ว่าพูดกันรู้เรื่องก็เรียกว่าชั้นพวกเผ่าในดำในชั้นพวกเผ่าในเขียวพวกเผ่าในขาวเนื้อแท้จริงๆมันพูดเหมือนกันเจริยาอาการต่างๆวัฒนธรรมเหมือนกันมันก็เผ่าเดียวกันแต่ก็ยังแยกไม่ยอมรวมกันถือว่าอยู่กันเป็นหมู่บ้า น, น, นเ เมืองสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความสาคัญเพียงเท่านี้ในช่วงนั้นที่มีพระรหันต์มาเรื่อยๆท่านหมอชีวโกโกมรารพัชก็เคยมาเทียเ่ยวเจ้าถามว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยสเสด็จไหมท่านเจอคุณเจ้าคุณท่านตอบว่าใช่ท่าพูดถึงว่าสมัยผมเป็นขัวช้างนะหม่พบ แต่สมัยนั้นผมก็เกิดเหมือนกันเนี่ยแต่เกิดสมัยนั้นผมอาจจะไม่รู้แต่เพราะว่าตายไปแล้วอาจจะจำไม่ได้แต่ว่าเวลานี้ผมเป็นเทวดาเรื่องการย้อนหลังหาภาพก่อนและย้อนหลังหาผลเป็นของไม่ยากก็เป็นนั้นว่าต้องตอบว่าพระพุทธเจ้ามาในเขตนี้หลายวาระแล้วก็มาคราวหนึ่งทําให้คนสําเร็จอรหันไปไม่น้อย การสเสด็จมาของพระองค์ใช้เวลาเดินนานหน่อยเพราะนานๆจะได้เดินท่านหอบมาจำนวนดีเหมือนกันนะพระคุณเพราะคุณก็อบอกถ้าตรงๆไม่ได้เลยก็ะจะให้บอกเออนี่จะคุณก็บอกนะจะให้บอกอยังไงก็นานๆจะได้เดินคืนเดินมาก็แย่ทีแต่ความจริงท่านจะเดินมาก็ไม่ยากหริอ ท, ทำไม ใช่หอบมามาเป็นกลุ่มๆ ม, มาคราวหนึ่งก็มีพระติดตามไม่น้อยกว่าห้าร้อยรูปที่มาเป็นอย่างนั้นก็เพื่อเป็นกําลังใจของคนที่เวลาก่อนหน้านั้นหมอผีมันมีมากดินแดนอินเดียเขาเล่นสมาธิจิตกันเล่นกําลังจิตถ้าดินแดนแห่งนี้เขาเล่นผีกันนับถือผีอยู่ก่อนถือว่าผีเป็นเจ้าผีเป็นนายทำอะไรก็ต้องเชื่อผี จนกรทั่งมีการตั้งสารประภูมิกันขึ้นมาอันนี้เราก็เรียกว่าผีเหมือนกันเพราะว่ากำลังใจของคนพวกนี้ยอมรับนับถือผีมาเป็นตัวอย่างมาเป็นเหตุเมื่อองค์สมเด็จพระบรมโรกไในเทศสุสทรเดชก็เอาผีพวกนี้มาแสดงตัวให้ปรากฏสมเด็จพระบ ร, ม ส, ส ร, ะบรมสุคตให้บุคคลหลายเห็นว่าผีที่เขาบูชานั้นเป็นตัวเป็นตนตขึ้นมา เห็นกันอย่างผีเห็นคนคนเห็นผีณเมื่อผีทั้งหลายเหล่านั้นเห็นพระพุทธเจ้าเขาก็มากราบพระพุทธเจา้าแล้วก็แสดงว่ายอมรับนับถือพระพุทธเจา้าอันนี้เองเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใสเกิดกําลังใจขบุค้นผู้ได้เห็นดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเทศอะไรลงไปเขารับฟังทันที สมเด็จพระจินทร์ศีเทศจึงมีผลให้คนได้เป็นพระอริยเจา้านี่บอกลูกบอกหลานมันนะว่าเราคุยกันมานี่ทิ้งใครกันบ้างเยอะแยะจับประวัตินนท์จับประวัตินี่จับประวัตินั่นพูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนี้นนนแล้วให้พวกเธอทั้งหลายเหล่านั้นลูกท่านก็คือลูกผม ผมไม่บอกแล้วว่าไอ้มันเป็นใครกันบ้างตั้งห้าสิบชี้กว่านี่มาพันนากันไหวเลยก็บอกว่าแล้วกันมันเป็นลูกเพมันเป็นลูกท่านทั้งนั้นแหละเป็นลูกของเป็นหลานบางชาติเมื่อเกิดเป็นหลานบางชาติเมื่อเกิดเป็นลูกบางชาติเมื่อเกิดเข้าท้องอีแม่เล็กๆใหม่ทันแม่ยหญแม่เล็กใหม่ทันมันก็เกิดมาเป็นบริวารคือเป็นพวกเป็นพ้องเป็นคนคบหาสมาคมกัน เป็นอันว่าคนทุกคนมีความสำคัญจับดาบสู้กับข้าศึกมาแล้วที่มีการคล่องแคล่วในงานผู้หญิงทำงานกันบชาวกวัจเจงเหมือนผู้ชายผู้ชายบางคนน่าจะอายผู้หญิงเสีอีกที่ดีตามท่านตวมเตียมตมเตียมตมเตียมไม่ทันผู้หญิงซสีก็มีมากตั้นแสดงว่าคนพวกนี้คลานตมเตียม ดีไม่ดีอาจจะไม่เคยเกิดเป็นลูกแต่เคยเกิดเป็นหลานเคยเกิดเป็นเลนมันห่างออกไปความคล่องตัวมันจริงชา้าถ้าลูกท่านจริงๆแล้วก็ดูได้เลยเล่องตัวทุกคนพ่อพ่อมันเดินไม่เป็นแม่มันเดินไม่เป็น ม, มันคว้าดาบได้ก็ออกวิ่งมันก็เดินอย่างกระจับกระเฉงร่วบรัดงานทุกอย่างต้องรวบรัดตัวอยู่เสมอ ทำได้โดยฉับพลันตัดสินใจรวดเร็วเป็นอันว่าลูกทุกคนมันก็ติดพอ่อฉะนั้นเวลาจะทำอะไรขึ้นมาถ้ามันช้าหน่อยมันก็กลัวพ่อมันดุเป็นอันว่าพ่อมันเร็วอ้าวด่าใครจะคุณพ่อมันเร็วไอ้ลูกเนี่ยก็สอนระเบียบเรียบร้อยมันก็สอนเมอนกันแท้ มันก็ระเบียบเรียบร้อยแต่เวลาจะเอางานจะเอาการจริงๆลูกมันต้องวิ่งล่ะมันยาวไรขึ้นมานิดลูกต้องวิ่งเลยขึ้นเดินต้มเตรียมตเตรียมดีไม่ดีคว้ากระโถนขว้างคว้าครกตามนําพิกขว้างเอาคว้าครกตั้มมาคว้างเอาเฉยๆเพราะมันบอกว่าถ้าต้มเตรียมแบบนี้แบบนี้เวลาข่าศึ ก, กวิชิตติดเมืองเอาตัวไม่รอดความจริงกัจริงของมันน่ะ ลูกไข่มันลูกไข่เนี่ยนี่คุณแกบอกว่าเด็กพวกนี้มันลูกเจ้าแก้วแล้วทําห้เสือกมาเป็นลูกข่าเอ้ยแกก็บอกว่าอย่างนี้มันก็ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงกันไปกันมาที่กันหลกคนนั้นบ้างหลกคนนี้บ้างแต่มันไม่เคยเป็นลูกกรมเท่านั้นแหละมันเป็นลูกเจ้าแก้วบ้างบ้างชาติมันก็เป็นลูกทันแต่เวลาชาตินี้มันมาเป็นลูกทัน เพราะว่าท่านไม่มีเมียลูกจริงมากถ้าท่านมีเมียลูกมันก็น้อยกว่านี้แต่คือมีลูกเท่านี้มันก็เลี้ยงไม่ไหวลูกบางคนมันจะแก่กว่าพ่อที่ก็มีอย่างนี้เขาเลยคนลูกมากเออโอ้ยมันได้เรื่องที่เทปหน้านี้ไม่ได้เรื่องเลยนะเจ้าคุณเอ้ยฟังจากคนพูดมันเศร้าสาระไม่ได้จริงๆว่าเวลาเนี่ยมันจะหมดสิ้แล้วเนี่ย เอาลาจะคุณพักก่อนสำหรับลูกรักทั้งหลายจะคุณกันเลอะเธอะนะแกจะไปลงท้ายด้วยอำนาวิปัสนาญาณก็หันมาด่าพ่อก็ปล่อยแกไปช่างแกไปเป็นอันว่าสำหรับเทพนานนี้ก็ต้องข อ, อยุติไว้ต่เพียงเท่านี้เพราะว่าดูเวลาเทพมันก็ยายหมดมันเลอบ้างก็ช่างมัน ขอความสุขสวัสดีจงมีแดล่ลูกรักทุกคนสวัสดี